175เจ็สบห้าในการปฏิบัติของพุทธจึงต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยเมื่อไม่มีผัสสะเป็นปัใจจัยในการปฏิบัติหลับตาเข้าไปอยู่ในผวังเสียแล้วจึงไม่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มเก้าข้อหกถึงเจ็สบห้าที่ตรัสว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพรามเหล่านั้นสมณพรามเหล่าใดมีทิฏฐิว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยเหตุสี่ประการข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ว่า อาจตาและโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงอย่างแท้จริงตามที่สัมผัสจริงเป็นความจริงแม้อื่นอน อ, นอีกเช่นมีทิฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงก็ดีมีทิฐิว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ก็ดีหรือมีทิฐิดิ้นได้ไม่ตายตัวก็ดี หรือมีทิฏฐิว่าอัตราและโลกเกิดขึ้นลอยลอยก็ดีเป็นต้นหรือมีทิฏฐิว่าอัตราที่เหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็ดีมีทิฏฐิว่าอัตราเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาก็ดีมีทิฏฐิว่าอัตราเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มีใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ก็ดีมีทิฏฐิว่าขาดศูน์ก็ดีมีทิฏฐิว่านิพพานในปัจจุบันก็ดีสมณพรามเ์เราได้กำหนดขันส่วนอดีตมีความเห็นตามขันส่วนอดีตปรารบขันส่วนอดีตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุสิบแปประการ และกำหนดขันส่วนอดีตมีความเห็นตามขันส่วนอดีตปรารบขันส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ44ประการเมืข้อนั้นก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริงได้จริงครบถ้วนสิ้นรอบทั้งหมด เพราะผู้ปฏิบัติสามารถทำความเกิดความดับในความจริงเหล่านั้นทั้งหลายได้หมดสิ้นทุกประการพร้อมทั้งรู้จักรู้แจ้งรู้จริงคุณและโทษทั้งสามารถกำจัดความเป็นโทษทั้งหลายจา ก, กจิตใจได้หมดสิ้นด้วยจึงประจักษ์ความจริงในความมีโหติ ความไม่มีณนะโหติบริบูรณ์สมบูรณ์